หรือว่าคำพูดนี่นพูดผิดคิดผิดบันเนี่นี่พระสุภวีไนเขาพูดผิดออกมาแล้วบันเนี่ยตายไปแล้วไปจงนรกขุมไดคันนรกมีนานจากปีจากเดือ น, น, เ, อนเนี่ยเข้าใจหรงอเปลบันนี้เรื่องมูนี่มันสร้างมาจากใจบันเนี่ยใจคิดผิด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 นานจากปีจากเดือนผมเข้าใจอัางาัยเพราะว่าผมโบููหเนี่ค่ะอันนี้แหละเป็นสูตรที่เราควรศึกษาและปฏิบัติให้รู้ถ้าหากเราบูรูอยังซีเราเต็มทีเป็นภาคที่ริ้วทีเดียวเป็นภาคเสร็จเทาบวชมา น, นี่เขาจะประโยชน์ของของน้อยที่สุดอันนี้ทรงการบวชในพนวาต้องศึกษาถ้าหากศึกษาหลัก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 อายุในเกินเ้าปีถึงจุดสามปีเนี่ยแค่ เ, เด็กน้อยเขาบ่มีอารมณ์มากรู้งา่ายบ่เกินเดือนหอนึ่งมหาบุตรทองจากเดือนก่อนอย่างหูจักนี่กคุณอ่ะมันมีอารมณ์ันนี้มันเหียนมันเหียนไปไปติดอารมณ์มันไปติดควมหูมันสูรเหี้ยนมาคุณมันเป็นยังไงมูมหาบทองนี่หละเป็นเป็นรุ่นแรกละมูเนีย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 วิปัฒนาจะบากรู้แจ้งรู้จริงรู้แล้วต่างเกา่าหลวงภาวะดูตั้างเกา่าแต่แท้บุคคลรู้นี่แต่ก่อนจิตใจก็อ่อนน้อมทอมตนขึ้นมาลงอยากให้คนฮู้นะอยากให้คนฮูน้แล้วไปพ้อยไปดาไปเตะไปตีขาเจ้าก่บโบเมดอีกตืมลานะ่มันเพิษอ่ะนะมันประกอบด้วยโทสะโมหะโลภะอ่นะนะมันบประกอบด้วยสติสมาธิปัญญามันเป็นมิตรสาธิตทิ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 พันโบลูโบเห็นโ บ, พ บ, พ เ, บเป็นโบมีคือพระพุทธเจ้าก็เป็นภาคีลิขท่า น, นั้นแล้วเป็นการลอกลวงสนบล์หลอกลวงผู้อื่นบ่พอลอกลวงตัวเองเนี่เป็นผมหัวใจเรากยกมือไหว้ตัวเองนะตั้งแต่มื้อ น, นั้นมายิ่งว่าไหว้ตัวเองก็มีจังหวะครับไหว้ตัวเองในแท่ไหว้ผู้อื่นหนึ่งก็ให้แต่ลูกกาไถโนะใจใจใเราเห็นใจเราไหว้ตัวเราคิดเลยยิ่งว่าทำดีพูดดีคิด ด, ดีจะเห็นพรกันเยอะ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 คันถ้าห้างเขาโบเห็ดแล้วกับบมมั่นคงแล้วเป็นกันเอง ว, วมมั่นคงคววมถาวรคววมแข็งแต่งอยู่ที่เขาทำเองอย่าไปหล่อเละการนุ่งเสื้อนุ่งผ้าเปลี่ยนการครบการสันเปลี่ยนนิสัยดีต้องเปลี่ยนการไปบินทบาทคือกันต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังใดเปลี่ยนเอาคุณดีกรมงามไปให้ญาติโยมเห็น